นลิงกับจรเะเข้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าถึ่มีแม่น้ำใหญ่แห่งหนึง่งที่แม่น้ำนั้นมีจระเข้แก่มันล่าสัตว์ไม่ได้เพราะว่ามันอ่อนแรงและแก่เกินไปวันหนึ่งมันหิวมากมันเลยคิดกับตัวเองว่า ยากมากที่จะออกล่าเหยือเราต้องามจับปลาในแม่น้ำเราหิวมากเมื่อมันพยายามที่จะจับปลาปลาก็หลุดมือมันไปเพราะเหนื่อยและสิ้นหวังมันเลยตัดสินใจพักใต้ต้นไม้ที่แม่น้ำ <awakening> มีลิงตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งไม้ และกำลังกินเบอร์รี่จะละแค่เห็นลิงเลยถามว่าลิงเอ๋ยนย้อยน้ยกินอะไรเหรอขอฉันกินด้วยได้หรือเปล่าฉันเนี่ยเยี่วมากเลยมันคือเบอร์รี่มันหวานมากเอาไปสิกินซะโอ้ใช่พวกมันหวานมากมาก ขอบคุณนะที่ช่วยฉันฉันหิวมากมและนายก็ช่วยฉันไว้นายใจดีมากมาฉันจะทราบถึงมากมที่ฉันจะได้มีเพื่อนอย่างนายได้สิได้เลยเราเป็นเพื่อนกันแล้วอะฉันอยู่บนต้นไม้ต้นไหนที่นายหิวก็มาที่นี่สิฉันจะเอาบรีให้กินเลย หลังจากนั้นทุกๆวันจร์เข้จะมาที่ต้นไม้เพื่อให้ลิงให้เบอรรี่กับเขาพวกมันสนุกสนานกันตลอดเพราะแบบนี้พวกมันเลยเป็นเพื่อนสนิทกันบางทีจระเข้จะมาเล่นใกล้ๆต้นไม้และบางทีลิงก็จะนั่งหลังจร์เข้ล่องแม่ น, น้ำได้ฟังด้วเพื่อนฉันยัอยากจะให้เมียได้ลอกชิมเบอรี่บ้างเลยนะ เอาให้ฉันหน่อยได้ไหมอขอละฉันจะเอากลับบ้านได้สิเดี๋ยวจะไปเด็ดให้ไปกันเถอะลิงเก็บเบอร์รี่ให้กับจอระเข้ด้วยความยินดีและจร์เข้ก็เอากลับบ้านไปให้กับเมียของเขาที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำที่รักดูที่ว่าผมเอาอะไรมาให้ เบอร์รี่หวานหวานลิงเพื่อนผมฝากมันมาให้กับคุณ ว, ว้าวเบอร์รี่พวกนี้หวานมากแต่ที่รักเราจะรอดได้ยังไงถ้ากินแค่เบอร์รี่คิดสิถ้าลิงตัวนี้กินเบอร์รี่ทุกวันแบบนี้เนื้อของเขาจะหวานมากขนาดไหนเนื้อของเขาต้องหวานมากแน่นๆเลยหม อ, อชาย มันอร่อยมากเลยเขากินเบอร์รี่แล้วก็แบ่งกับผมด้วยละ่ะฉันคิดว่าหัวใจของเขาจะหวานแค่ไหนนะฉันก็ไม่ได้กินเนื้อมานานแล้วล่ะนะเอาหัวใจของเขามาให้ฉันได้หรือเปล่าละ่ะตอนได้ยินแบบนี้จร์เข้ก็เริ่มคิดแล้วบอกกับเมียว่ามออผมจะทำแบบนี้ได้อย่างไร ลิงตัวนั้นเป็นเพื่อนผมผมหักหลังเขาไม่ได้ถ้าผมเอาหัวใจเข้ามาให้คุณเขาก็ต้องตายสิเขาหาอาหารให้ผมตอนผมหิวคุณจะให้ผมฆ่าเขาอย่างนั้นน่ะเหรอนี่ฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นฉันอยากได้หัวใจของลิงไม่อย่างนั้นนะคอยดูฉันจะฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นเจระเขคที่น่าสงสารก็หมดทางเลือกเขาจึงไปหาลิงและบอกให้ลิงยอมกลับบ้านไปกับเขาเพื่อไปหาภรรยาของเขาลิงลิงพืชยิเบียฉันมีความตกมากเธอเลยเรียกนอยไปลิ้ยงอาหารเที่ที่บ้านด้วยนะมาเถอะไปกับฉันไปบ้านฉันไปกินอาหารด้วยกันว้าว เธาใจดีจริงๆเลยไปกันเถอะลิงยอนไปกับโดราเเค่และพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางพวกเขาเดินทางไปยังมีความสุขเดินทางได้เป็นนิดเดียวลิงก็เริ่มถามนี่พูดแล้วเมียน้อนจะทำอะไรให้เรากินละ่ะอนายชอบกินกล้วยไหมละ่ะเมียฉันจะทำกล้วยอบใหม่ๆให้กินแล้วก็คุกกี้อร่อยๆด้วยนะ น่ากินมากมี่ฟองเนาะมันจะต้องอร่อยมากแน่ๆเลยฉันหิวแล้วล่ะหลังจากที่เห็นเพื่อนเขามีความสุขจรเขนก็คิดว่าเขาควรจะบอกความจริงกับลิงลิงที่น่าสงสารเขากำลังอยากจะกินอาหารอร่อยๆแต่เขาไม่รู้เลยว่าเบียร์เรากำลังอยากจะกินหัวใจของเขาเป็นอาหารเทีย่ยง แล้วเราจะทำยางไร ด, ไดีเราต้องบอกความจริงลิงเพื่อนยะไ่้ฉันมีเรื่องจะบอกนายมียฉันเออเธออยากจะกินหัวใจของนายให้อาภัยฉันด้วยนะถ้าเธอไม่ได้กินหัวใจของนายละก็เธอก็จะตายทันทีที่ลิงได้ยินแบบนั้น เขาก็เริ่มคิดถึงแผนอะไรใหม่ๆลิงฉลาดมากๆโอ้อยังงั้นเหรอได้สิเพื่อนทำไมนายไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ ล, ล่ะลิงยังเราเน่จะเก็บหัวใจเอาไว้อย่างปลอดภัยบนต้นไม้เรากลับไปที่ต้นไม้เพื่อไปเอาหัวใจกันนายพากลับไปต้นไม้หน่อยสิโอ้ฉันนี่มันโง่จริงๆ เราต้องกลับไปอีกแล้วโอเคกลับไปเอาหัวใจของนายกันถ้าเรากลับไปบ้านมือเปล่าแล้วก็เมียฉันจะได้กินหัวใจฉันแทนแน่จระเข้เอาลิงขึ้นหลังทันทีที่ไปถึงต้นไม้เขาเรีบกระโดดออกจากจระเข้แล้วปีนขที่ไปบนต้นไม้แล้วบอกกับจระเข้ว่าเจ้อจอาจระเข้โง่ ฉันจะเอาหัวใจเก็บไว้บนต้นไม้แล้วจะมีชีวิตได้ยังไงฉันช่วยนายเพราะนายเป็นเพื่อนฉันและให้อาหารมากมายกับนายแต่นายกลับหักหลังฉันน่ะนายคือคนทรยศ น, นายจะไม่ได้ทั้งหัวใจของฉันและเบอร์รี่ไปเลยลิงใช้ความฉลาดของเขาในการเอาตัวรอดจากจร์เข้มาได้เพราะความโง่ของจอร์เก้เขาเลยเสียทั้งเพื่อนและเบอร์รี่ไป เด็กเรื่องนี้สอนอะไรพวกหนูจ๊ะบอกมาหน่อยสิว่าหนูได้เรียนรู้อะไรอ่ะอ่ะอะ่ไม่รู้ฮะโ อ, โอ้ไม่รู้อโอเคจ้ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในเวลาที่เรายากลำบากและตกอยู่ในอันตรายเราอย่าได้กลัวไปเราจะต้องใช้สมองของเราหาทางออกเหมือนกันกันกบลิงและไม่ว่าในสถานการณ์ไหนเราจะหักหลังเพื่อนของเราไม่ได้เลยล่ะ ไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะเสียทุกอย่างไปเหมือนกับจร์เขเตัวนั้น